ทรงอนุญาตร่มและรองเทา้าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตร่มและรองเท้าแก่ภิกษุณีผู้เป็นไข้แล้วรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้